อ่เนาะก็แต่มเมื่อคืนนี้ใครมีประสบการณ์อะไรไหมได้ประสบการณ์ไหมจากการปฏิบัติโดยส่วนตัวมเมื่อคืนนี้ก็เข้าใจอะไรบางอย่างนะจู่ๆมันก็แวะไปเข้าใจเฉยปวดหลอดเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวจะเลาให้ฟังเนาะแต่วันนี้จะพาไปเสริมให้นิดนึงเนาะไปเสริมให้นิดนึงเรื่องอันนี้เป็นความเข้าใจหรอกที่ไหนก็ไม่มีอธิบายหรอก จากประสบการณ์ที่เราเข้าใจว่าขันมันคืออะไรจากแต่ก่อนเนาะขันห้าตอนที่เราไม่รู้มเมืตอนชาเราสวดไหมมีขัน 5, ขันเดียวมีขันห้าขันมีขันสี่ขันได้สวดไหมขันเดียวก็อันนี้เลเนะี่ยก่อนกลมๆ ก, ก็คือหลงว่าเป็นเราอะไรเนาะทุกอย่างเป็นเราแต่ก่อนเป็นไหมร่างกายนี้เป็นเราความคิดเป็นเรา ม, มียิ่งไหมเอาจากประสบการณ์ตัวเอง เนาะว่าเป็นเราอันนี้คือขันขันเดียวเป็นแบบนี้แหละทุกสีปนกันถามว่าแยกเราแยกออกไหมมีสีอะไรบ้างจากรูปเห็นไหมเนะี่ยแยกออกไหมถ้าอยู่แบบเนี้ยแยกไม่ออกเนาะมันแยกไม่ออก ม, มันปนกันไปหมดเลยแต่จากการปฏิบัติละ่นะเนาะตลอดไม่ต้องเอาตำลาเอาที่เราปฏิบัติมาห้าวันเนะี่ยมีไหมสิ่งที่เรียกว่ากา มีไหมที่มันเดินไปเดินมานั่งอยู่เนี่ยยกมือไปยกมือมามีไหมเนาะเราต้องแยกว่ากายมันจึงแยกออกมาเป็นตัวที่หนึ่งง่ายสุดใช่หรือไม่กายเป็นสิ่งที่แยกได้ง่ายอยู่แล้วอแล้วระหว่างที่เรานั่งนานๆมีไหมเวทนาที่มันปรากฏมีไหมความปวดความเมื่ความรู้สึกเป็นลนเป็นนี่เนาะเวทนามันก็ เออแยกออกมาเป็นตัวที่สองและนั่งไปสักพักหนึ่งมีไหมไม่ใช่ตอนเดินจงกรมหรือตอนเดินภายนอกมีไหมตาที่มาเห็นรูปแล้วมันก็บอกว่าเป็นนนเป็นนี่อย่างเช่นยกมาปั๊บก็บอกว่า น, นี่คือเนาะมันก็รู้ทันทีเลยใช่หรือไม่ยกมานี้ปั๊บนี่ก็ภากาใช่ไหมภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษจะยกมาก็อันนี้แหละใช่ไหมแต่ใครจะแปลได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งเนาะความจําได้หมารู้ไม่เหมือนกันแต่ก็จําได้ว่ายกอันนี้คืออันนี้อันนี้คือสัญญาเนาะความจําได้เรามีข้อมูลอยู่แล้วถามว่าเราสกัดกันได้ไหมสัญญาเนี่ยยกมาปับ๊บมันมันก็รู้ว่าก็แก้วน้ําใช่ไหมต้องสกัดกั้นไหมเนี่ย อย่ารู้ว่าเป็นอย่ารู้ว่าเป็นแก้วน้ำนะทำได้ไหมไม่ได้เนาะอันนี้คือสัญญาแล้วอันสุดท้ายต่อจากสัญญาคือสังขารการปรุงแต่งยังไงอะ่ะอย่างเช่นยกมาพับข้างในมีอะไรฮะ ยกมาปับป๊บอันนี้คือน้ำคือแก้วน้ำใช่ไหมข้างในมีอะไรฮะน้ำเฉยๆไหมน้ำอะไรเห็นไหมแต่ละคนก็สีแบบนี้ต้องเป็นน้ำชาสีแบบนี้ต้องเป็นน้ำหวานเป็นน้ำเปล่าไหมเนี่ยบางคนก็บอกว่าเป็นน้าเปล่าอันนี้คือ ถามว่าเราเรู้เรารู้จริงไหมว่าข้างในเป็นอะไรแต่สิ่งที่เราว่ามามันคืออะไรล่ะความคิดที่มันปรุงแต่งต่อใช่หรือไม่ข้อมูลเอามาจากไหนหเอามาจากสัญญาใช่หรือไม่ความจาได้หมายรู้ที่เราเคยรู้มาถามว่ามันจริงไหมก็ไม่รู้แต่มันก็สามารถปรุงแต่งต่อใช่ไหมเอาความคาดการณ์ความน่านจะเป็นอะไรก็ช่างที่มันเอามา ก็คือสังขารการปรุงแต่งต่อเหมือนที่เมื่อวานนี้ที่เราได้ฟังเสียงเป็นยังไงหนูตัวเล็กๆมาไหมแ <laughs> ดงๆ <laughs> หัวแกะอะไรเนะี่ยลิงเนาะอันนี้คือธรรมชาติเนาะของของขันอา้าวแล้วตัวที่หนะ้าน่ะมันอยู่ไหนอะตัววิญญาณการรับรู้ทำไมมีแค่นี้ อันนี้เป็นความเข้าใจเนาะว่าตัวที่ห้ามันอยู่ตรงไหนตัวที่ห้ามันคือใช่ใช้สีนี้รู้ไหมตัวที่ห้ามันอยู่ตรงไหนตัวที่ห้าลองดูดีๆเนาะว่ามันอยู่ตรงไหนที่เราเดินไปเดินมาที่เรานั่งยกมือไปยกมือมเรารู้ไหมว่า มีการยกมีการเดินไ ป, ไปเดินมามีไหมบางอย่างมันกับปนอยู่ในนี้นิดนึงพอเวทนามันปรากฏความปวดความเมื่อยนปรากฏอาการที่นปรพากดกับกายเรารู้ไหมมันก็มีบางอย่างปนอยู่นิดนึงในนี้พ อ, พ, อพอตาเห็นรูปพับเรารู้ไหมว่าอันนี้มันคือแก้วเรารู้ไหม มันก็มีบางอย่างปนอยู่ในนี้อืพอสัญญามาทํางานปั๊บมันก็รู้ใช่หรือไม่ตาเห็นปั๊บมันก็รู้หูได้ยินเสียงมันก็รู้แล้วก็แปลออกพอความคิดที่มันปรุงแต่งต่อไปสังขานรู้ไหมว่ามันมีการปรุงแต่งต่อรู้ไหมว่าในแก้วน้ํามันสีนี้มันน่าจะเป็นน้ําชาสีนี้น่าจะเป็นน้ําหวานสีนี้น่าจะเป็นน้ําพึ่ง มันก็รู้ใช่หรือไม่มันก็มีบางอย่างปวนอยู่ในสื่ อ, อย่างเนี่ยไอ้สื่ อ, อย่างนี้ไอ้ภาวะ ท, ที่มันปวนอยู่มันก็คือเนาะวิญญาณตัวสุดท้ายนี่เนาะอันนี้คือธรรมชาติของขันตรงตรง เป็นแบบนี้จากประสบการณ์นะไม่ได้จากธำราตจากการสังเกตว่าเออตอนแรกตอนแรกก็คิดว่าวิญญาณมันจะอยู่ตรงนี้เออมันไม่ใช่นี่หว่ามันอยู่ในทุกทุกสิ่งเลยใช่ไหมมันวิญญาณก็คือภาวะการรับรู้เนาะมันแค่รับมันมันแค่รับรู้เราเคลื่อนไปนเรารู้ไหมเราเคลื่อนไปเราเดินไปเดินมาเราก็รู้เรานั่งเราก็รู้ใช่ไหมนั่งไป น, งนั่งมานานๆปวดเมื่อยไหม เราก็รู้ใช่ไหมเนี่ยมันเป็นภาวะรับรู้มันพนอยอยู่ในสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าเห็นแบบเนี้ยเอาเรียกว่าเห็นต่างเป็นจริงเห็นแบบเนี้ยมันไม่มีปัญหาเนาะมันไม่มีปัญหาแต่ถามว่าเราเห็นแบบนี้ไหมเราเห็นแบบนี้ไหมโดยทั่วไปเนา ะ, นะเรากลับมีภาวะบางอย่างสอดแทรกในสิ่งเหล่านี้พอกายมันเปลี่ยนแปลงพับเราก็มี มีมั้ยความพอใจไม่พอใจมีไหมกายมันเปลี่ยนไปผมงอกขึ้นพอใจไม่กับผมงอกอืมเนาะมันกับเกิดความพอใจไม่พอใจกับกายนี้มันก็เป็นทุกข์เวทนาแหละที่มันปรากฏมีไหมเกิดความพอใจไม่พอใจมีไหมเนาะมันก็เป็นวงกลมซ้อนก็เหมือนกับปฏิปทานสี่กัแหละเนาะ เมื่อสัญญามันปากปรบภาพมีไหมคิดเยอจังทำไมทาไมคิดเดยอจังมันก็มีอยู่ใช่หรือไม่กลับไปพยายามห้ามปฏิเสธมันก็มีความพอใจไม่พอใจยิ่งสังขารละ่ะเป็นยังไงมันปรุงแต่งต่อทำไมคิดเป็นนนเป็นนี่ทำไมทำไมปรุงเยอะจังมีไหมทำไมมโนเก่งจังบอกตัวเองเนาะมันกลับมีบางอย่างซ้อนอยู่ อันนี้แหะคือภาวะพอใจไม่พอใจที่มันซ้อนอยู่บางความเป็นจริงคำว่าทุลีบังตาคืออันนี้แหละเนี่ยที่มันซ้อนอยู่เนาะทุลีบังตาบังถามว่าทุลีบังตามันอยู่ไกลไหมทุลีบังตาทุลีคืออะไรล่ะเศษเล็กๆเนาะทุลีบังตาคิดว่ามันอยู่ตรงไหนเนาะทุลีบางตาเนี่ยอยู่ที่ขนตาเนี่ยมันอยู่ไกลไหม ไม่อยู่ไม่ไกลแต่สามารถบังภูเขาได้บังท้องฟ้าได้บังทะเลได้ใช่หรือไม่แต่มันอยู่แค่เนี้ยปัดออกก็หายเนี่ยนะมันมันอยู่แค่นี้แหละมันก็คือความพอใจไม่พอใจอันนี้ก็ตามจริงเนาะสติปัฏฐานสี่ขันห้าอ้เดี๋ยวสติปัฏฐานสี่ที่เราเรียนมาขันห้าปฏิจจสมุปบาท อนนีมากมีองค์แปความรู้สึกตัวอันเดียวกันเนาะมันอันเดียวกันเราจะพิจารณาแบบไหนก็ได้เป็นทฤษฎีฐานสี่เป็นสี่อย่างก็ได้รูปเวนาสัญญาสังขารไม่ใช่กายเวนัจิตธรรมก็ได้เป็นปฏิจจสมุปาฏิก็ได้แบบละเอียดเนาะแบบขันห้าก็ได้เนาะแต่รวมแล้วมันก็คือความรู้สึกตัวเนาะเคล็ลับมันก็คือการถอนความพอใจไม่พอใจ ตรงนั้นแหละคือความรู้สึกตัวอันเดียวกันเนาะไม่แตกต่างกันอันนี้ก็เพิ่มไปให้เนาะเผื่อเป็นความรู้อีกแบบหนึง่งก็เนาะทีนี้ตลอด5วันเนาะเป็นยังไงบ้างการปฏิบัติคิดไปคิ ด, ค, ดคิดไปได้ผลไหมห้าวันนี้คิดไปได้ผลไหมห้าวันเนี อย่างน้อ ย, นอยเนาะก็ให้เขาเรียกว่าให้เป็นกาลังให้ให้มันเป็นเป็นกำลัง ส, สติขึ้นมาเสริมไว้บางทีห้างไว้มันอาจจะไม่เข้าใจอะไรหรอกอ ม, มันก็ยังเริ่มโดยส่วนตัวเนาะแล้วก็บอกตัวเองเนะเราปฏิบัติมาตั้งหลายเดือนแล้วสามเดือนสี่เดือนติดตามครูบาอาจารย์ไปทุกที่แต่ทาไมโยมคนนี้เขามาสามวันเข้าใจธรรมะเลยวะทไม่ราโง่จังโรงพยาานั้น <laughs> ทำไมที่เขาเล่าแบบนี่มันแยกการแยกกิจได้เลยอย่างนีเรายังไม่รู้เรื่องเลยทำไมเราโห่อย่างเลยมันก็เคยมีนะอืทำไมเราไม่ไปทำไมเราไม่ไปแบบเขาบ้างแล้วก็ปฏิบัติอยู่นะทําไมมันเป็นแบบนั้นแบบนี้ตอนแรกมันก็ลด ถ, ถอนกําลังใจตัวเองอยู่เนาะแต่มันมีอันนึงเนาะที่แบบเป็นตัวที่แบบทํำให้เรามายุทมมาฉุดคิดได้ว่าเราคงแบบนี้แหละเราหน่าจะ เป็นแบบนี้แหละก็คือมันมีมันมีบทเทศเนาะพระอาจารย์เทศให้ฟังเป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องเล่าของท่านพุทธทาสรู้จักรู้จักท่านพุทธทาสไหมเนาะเป็นเรื่องเล่ามีคนถามท่านว่าท่านประรุธรรมยังไงกล้าถามแบบนี้ด้วยโดยส่วนมากไม่ได้ไปไม่โดยส่วนมากโดยแบบเนี้ยเขาจะไม่ถามกันเนาะทำไมจะไม่ถามกันรู้ไหม มันง่ายต่อการหลงมันง่ายต่อการหลงถ้าเอาไปทําตามมันจะถ้าบอกไปปับ๊บมันจะอาไปทําตามแล้วเราคิดว่ามันง่ายต่อการหลงไหมละ่ะเนาะคิดเอาว่าเป็นแบบนั้นแล้วเป็นแบบนี้แล้วมันก็ง่ายต่อการหลงแต่ท่านก็มีเมตตานะเล่าเป็นเรื่องเล่ามาอีกทีหนึง่งว่ามันคืออะไรท่านบอกว่ามันเปรียบเสมือนช า, นะชาวสวนน่ะชาวสวนชาวไร่ชาวสวน อุปกรณ์ใช้ทํางานก็คือจอบมีดเสียมใช่ไหมอุปกรณ์ทํางานของชาวสวนคือจอบคือมีดคือเสียมทีนี้แต่จอบมีดเสียมมันก็ต้องก็ต้องมีด้ามเนาะต้องต้องมีด้ามเอาไว้ไปจับด้ามทําจากด้ามไม้เป็นด้ามไม้แต่ด้ามไม้เนี่ยเราเรียกว่ามันไม่สวยงามเนื้อไม้มันก็ไม่ดูแล้วไม่สวยงามขรุขระ จับแล้วเสียนตํา ม, มือจับแล้วมีคมมีแป่นมีสันเนาะเนื้อไม้เนี่ยไม้เนี่ยเอาเอามาทําด้ามจอบด้ามมีดด้ามเสียเมเป็นไม้ที่ไม่เป็นไม้ที่ไม่ดีมาก่อนท่านก็บอกว่าเนาะแต่คนส่วนเนี่ยก็เอาจอบมีดเสียมเนี่ยไปทํางานทุกวันทุกวันการทํางานคือการปฏิบัติปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการทํางานทําทุกวันทุกวันไม่เคยนับเวลา ไม่เคยกำหนดเวลารู้แต่ว่าทำทำทุกวันทุกวันจนมาวันหนึ่งมาสังเกตใหม่ตอนนี้ด้ามจอบด้ามมีดด้ามเสียมันเปลี่ยนไปแล้วเนาะด้ามจอบด้ามมีดด้ามเสียมันเปลี่ยนไปแล้วจากแต่ก่อนมันจับแล้วคูขะเสี้ยนตำ ม, มือเป็นคมเป็นสันตอนนี้หายไปหมดแล้ว เราจับปับมันเข้าลองเข้าลอยกับมือเราคนเดียวทุกนิ้วเนาะเข้าลองเข้าลอยกับมือเราเนื้อไม้สวยงามเงามัมนออกลายไม้ชัดเจนเนาะพึ่งมาลูทีหลังว่ามันเปลี่ยนไปแล้วเนาะมันเปรียบเสมือนบางทีเนาะการเข้าใจธรรมะมันจะเป็นแบบเนี้ยทําไปก่อนไม่ได้กําหนดเวลามาลูทีหลังว่าเข้าใจแล้วก็เปลี่ยนไ ป, ไป ไ, ปไปได้เนาะแบบ มันรู้ทีหลังมา่านี่เราเข้าใจเรื่องนี้แล้วนี่เราผ่านเรื่อ ง, องนี้มาแล้วก็เป็นไปได้เนาะพอเราได้ฟังตรงนี้ปั๊บล้วก็เอออันนี้เป็นกําลังใจได้ได้เนาะมาการเข้าใจธรรมะแบบนี้มันก็มีอยู่จากแต่ก่อนเราเคยฟังมาองค์นี้ก็แป๊บเดียวอันนก็แป๊บเดียวทําไมมันเร็วจังแ ต, แต่พอมาฟังแบบนี้ปั๊บเออแบบนี้มันก็มีนี่หว่าค่อยๆรู้ไปรู้ไปบางทีรู้จบไปแล้ว เค่อยมารู้รทีหลังอยู่ว่าเฮ้ยนี้เราผ่านไปแล้วนี่เราเข้าใจแล้วเนี่ยมันเป็นกําลังใจในการปฏิบัติมากเลยตอนนั้นก็ใช้สิ่งนี้แหละเนาะอืมทีนี้ก็จะเล่าเรื่องเนาะเป็นประสบการณ์ตัวเองที่ว่าทําไมออกจากทุกข์ได้ทําไมเนาะก็เรียกว่าตั้งแต่เริ่มบวชนี่ก็ เ, เ, เรียกว่าเข้าสู่การปฏิบัติก็ เ, เรื่องทุกข์นี่แหละเพราะว่าเราเจอเรื่องเรื่องทุกข์มาแล้วก็แบบ เฮ้ยทำไมมันหนักขนาดนี้อมันหนักหนาสาหาัสแต่เราก็ในช่วงแรกเนาะเมื่อเจอทุกปับ๊บแต่เรายังไม่เจอวิธีเราทํำยังไงโดยส่วนมากอยากเจอไหมทุกอยากเจออยากได้อยากครองไหมเนาะมันแน่นอนอยู่แล้วล่ะเราไม่อยากเจออยากได้อยากครองแต่เราจะทํำยังไงละ่ะเราก็ไม่รู้วิธีจัดการมันก็กลายเป็นกบเกลื่อนปฏิเสธซ่อนเล้นพยายามหลบลี้ห น, นีหน้า มันมาครางหน้าก็หันหลังให้มันเนาะมันมาก็หลับตาให้มันไม่อยากเจอเป็นไหมแบบแบบเนี้ยเนาะเป็นอยู่แล้วโดยธรรมชาติเนาะเพราะว่าเราไม่รู้วิธีว่าทำยังไงกับมันนั่นแหละแต่ทุกเนี้ยเขาเรียกว่ามันผ่านมานานแล้วอืมมันกับผ่านมาตั้งนานแล้วแล้วมันก็หายไปแล้วด้วยหายไปแล้วจากระบบความคิดเราไม่สามารถคิดเอาเอาได้แล้วลืมไปแล้วอ่ะ ไม่สามารถมานั่งตั้งใจคิดได้เนาะแต่เขาเรียกว่าจู่ๆมันก็โดนเขาเรียกว่าโดนจู่ๆเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งมันก็กระตุ้นขึ้นมาเลยว่าให้เรากลับมาเจออีกเนาะวันนั้นก็เขาเรียกว่าตั้งแต่บวชพรรษาแรกแล้เนาะตั้งแต่บวชในเดือนแรกๆบวชในอืมปีปีนี้ปีหกสองใช่ไมหกสองปีห้าเก้าเดือนเมษาเนี่แหละเพิ่งผ่านมานี่แหละ เดือนเมษาก็ได้บวชตอนแรกก็กัดใบวชตามประเพณีนะว่าเดี๋ยวบวชสักเดือนหนึ่งบวชพอให้รู้ว่าเป็นพราเป็นยังไงอืก็มีลูกพี่ลูกน้องอีกสองคนเขาจะบวช ด, ด้วยก็บวชทีเดียวสามรูปไี่แหละสามคนไปเลยจะได้ไม่ต้องเปืองแล้วก็เราก็บอกเขาเนาะไม่ต้องไปหาวันเรื่องงามยามดีหรอกเอาวันพระาจารย์บ้างนี่แหละนี่แหละเลิกดีสุดแล้วยิ่งหายิ่หายอยู่เอาวันพาจารย์บ้างนี่แหละบวชวันนี้แหละเตรียมงานเลย ขนาดขนาดแค่หาวันเนี่ยปีหนึ่งก็แค่หาวันเนี่ยล็อกวันตั้งแต่ปีปีปีห้าแปดเนาะเอาวันนี้เดือนเนี้ยไม่ต้องไปหาเริ่องงามยำดิตี่อื่นแล้วเอาวันนี้แหละล็อกไว้เนาะนั่นแหละก็เลยได้บวชเนาะพอเขบวชไปปั๊บสามสี่วันนี่แหละสี่วันห่มจีวันยังไม่ยังไม่เป็นเลยเนาะยังคลองจีวันไม่เป็นเลยยังลําบากเลยยังไม่กล้าออกจากวัดเลยทีนี้ หลวงวิหลวงวิหลวงวิฝนเนาะแกก็บวชมาก่อนแกบวชตั้งแต่มกุลลาม ก, กุลลากลุ่มพามีนาเมษาบวชมาก่อนสเดือนแล้วทีนี้พอหลวงพี่บวชแกเข้าไปโรงบานทุกวันทุกวันเนาะไปทุกวนันทุก ว, ว, ว, วันเราก็รู้ว่าแกไปทําอะไรเนาะเราก็รู้อยู่แล้วแหละไปทุกวันบางวันก็กลับดึกกลับดึกบางวันก็ไม่ได้ไม่ได้กลับมาเนาะทีนี้เราก็เลยช่วงนั้นเนาะพระอาจารย์ไปอินเดียแต่ไม่ได้ไปด้วยปีแรก ก็เอ๊ะมันว่างทังสองอาทิตย์จะทำอะไรดีเนาะก็เลยแบบว่างั้นเดี๋ยวตามลงพี่ฝนไปโรงพยาบาลด้วยนเนาะเผื่อไปถ่ายทําวิดีโอไปถ่ายทําว่าเวลาพระไปเยี่ยมคนป่วยเป็นยังไงเวลาคนป่วยมาเจอพระทําแบบเนี้เป็นยังไงเวลาหมอพยาบาลมาเจอพระทํางานแบบเนี้ยเป็นยังไงหรือแม้แต่ญาติคนรอบข้างมาเจอพระทําแบบเนี้ยเป็นยังไงเนาะ แล้วก็ตามไปถ่ายทําวิดีโอก็ใช้เวลาถ่ายประมาณเจ็ดวันนี่แหลนะเนาะตามไปถ่ายตามไปถ่ายตั้งแต่ก่อนตายกําลังตายหรือส่งถึงบ้านก็ไปตามไปถ่ายเนาะเอาเอาทุกขั้นตอนเลยเนาะไปส่งด้วยก่อนตายก็รอรอด้วยเนาะนำทั้งสู่ความตายด้วยจนถึงแม้แต่คืนเตาเผาแล้วอืเนาะ ก็แล้วเขาไปเห็นวนะ่าโอ้หลายๆเคสมันไปเห็นเรื่องหนึ่งเนาะเรื่องความตายนี่แหละว่าความตายมันยื้อไม่ได้ยั้งไม่ได้เร่งก็ไม่ได้ด้วยแบบบอกไว้เนาะเอเดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกกําลังเดินทางมาเดี๋ยวร อ, อ ก, ก่อนเนาะร อ, อ ก, ก่อนพอเดี๋ยวรอสักสี่โมงเช้าพรุ่งนี้ลูกมาถึงจะได้ขอกขมาพอเรามาถึงสัก ส, กสองโมงสามโมงเช้าเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ตีห้าอะไรแบบเนี้ย เราก็บอกนะเออความตายมันก็รอไหมรอมันไม่ได้ด้วยจะเล่งจะเล่งว่าให้ไปจะได้ไม่ทรมานก็เล่งไม่ได้จะเห็นหรือไม่เราเห็นมาเออแบบนี้มันมันก็มีเที่ยงคืนตีหนึ่งเรายังไม่ตายจะได้ถ่ายวีดีโอก็เล่งไม่ได้ <c oughs> ก็ต้องลอนอนรออยู่โรงพยาบาลอะไรแบบเนี้ยเนาะเช้ามาก็ยังยังไม่ตายเลยอะไรแบบเนี้ยอืมจะได้ถ่ายทำนาทีสุดท้ายไงที่เขาอยู่กับญากอืมมันเล่งไม่ได้ ก็ถ่ายไปถนะ่ายไปเนาะเห็นหลายๆอย่างแล้วไอ้ตรงที่ถ่ายทําเขาเรียกว่าตอนนั้นน่ยมันเป็นเซมิ -ICU ีเป็นกึง่งกึ่งวิกฤตกึง ICU, นะ่ง i c ซเนาะเป็นที่เขาเรียกว่าก่อนจะเข้า ICU ต้องมารอตรงนี้ก่อนถ้า ICU เต็มหรือออกจาก ICU ก็มานอนรอตรงนี้มันมานอนพักพื้นตรงนี้และตามสถิติเขาบอกว่าตรงนี้ตายเยอะที่สุดเยอะกว่าไอีอีกเนาะ วันหนึ่งมันจะมีเตีย ง, นนงมันมันมันจะมีเตียงที่แบบว่าเตียงปิดหน้าเนาะเหมือนที่ปิดกับข้าวเป็นเหล็กเห็นไหมที่ครอบครึ่งวงกลมอ่ะเปิดปิดเตียงแบบนั้นแหละแต่มันใหญ่เนาะไอ้ฝามันใหญ่เท่าคนนั่นแหละคือเตียงปิดเอาศพออกวันหนึ่งอ่ะเขาออกปรมาณเจ็ดแปดรอบเนาะทั้งออกเจ็ดแปดรอบเนาะตายเยอะมากแต่ละวันก็ไปถ่ายทําตรงนั้นเนาะ ทีนี้การถ่ายทำเนาะเราก็รพี่ก็ถ่ายทำไปถือกล้องลองไม่ฝนแกก็คุยไปเคล็ไหนคุยได้ก็คุยเนาะส่วนเรื่องการเยี่ยมเนาะมันก็ไม่ใช้อะไรมากเลยเราไม่ได้ใช้ธรรมะอะไรมากมายไม่ได้พูดปฏิจจสมุปบาทให้เขาฟังไม่ได้พูดเรื่องขันห้ไม่ได้พูดถึงสติปัฏฐานสี่ไม่ได้เอาขนาดนั้นรู้ไม้มเอาอะไรเอาเรื่องของเขาเองความสุข ความภาคภูมิใจเรื่องบุญกุศลของเขาแหละถามเขาถ้าเขายังรู้เรื่องหรือถามญาติพี่น้องสืบประวัติเอาแค่นี้นแหละไม่ได้เอาอะไรเลยเนาะไม่ได้มาพูดปฏิจจสมุปบาทฟังนะจะเล่าให้ฟังเรื่องอีเขียวเขาจะเข้าใจไหมไม่เข้าใจหรอกไม่ได้ปฏิบัติเนาะเนี่ยจะพาไปแยกกายแยกจิตเนาะมันเขาไม่เคยปฏิบัติมาแล้วก็อยาก อย่เอาสิ่งนั้นให้เขาเนาะเอาสิ่งที่เขาคุ้นเคยแหละบางทีบางบา ง, บางเคสเนาะเจอญาติเอาเทปธรรมะมายัดข้างเตียงไว้ยัดใส่หมอนไว้เปิดตลอด24สี่ชั่วโมงแล้วถามเขาเนาะเบื่อไหมแล้วก็เบื่อเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะชอบอะไรชอบลุกทุ่งก็เลยจัดไปลุกทุ่งท็อปชาร์ตเปลี่ยนให้เนาะ เอาสิ่งที่เขาชอบเนาะไม่ใช่เอาสิ่งที่เราชอบให้เอาสิ่งที่เราคิดคิดว่าดีมันก็ไม่ไมใช่เนาะเพราะว่าเขายังไม่ไม่พร้อมพื้นฐานคนไม่ไมเท่ากันนั่นะแหละก็ทําแบบนี้ไปเนาะทําแบบนี้ไปเอาความสุขความภาคภูมิใจสิ่งที่เขามีอยู่นั่นะแหละเอามาเล่าสู่เขาฟังเตียงไหนคุยไม่ได้ก็สวดมนต์ข้างหูให้เขาฟังไปเนะี่ยทําอย่างแบบนี้ยทุกเตียงทุกเตียงทีนี้มันมีเตียงหนึ่ง ประมาณวันที่สามที่สี่แล้วมันมีเตียงหนึ่งก็เรียกว่านอนป่วยแล้วคุยได้อยู่ลงลงหลวงพี่ฝนแกก็คุยไปเนาะหลวงพี่ก็ถ่ายไปถ่ายไปแล้วพยาบาลวิ่งตาตื่นมาเลยว่าพระอาจารย์พระอาจารย์คุยกับหลวงคุยกับหลวงพี่ฝนพระอาจารย์พระอาจารย์ไปนําทางเคสข้างในหน่อยอาการไม่โอแล้วคำว่าไม่โอของหมอก็คือไม่รอดใกล้าตายแล้วไม่โอเนี่ยคือใกล้าตายแล้วพระอาจารย์ไปนําทางหน่อยไม่โอแล้ว ลหลวงพี่ฝก็ได้บอกว่าพรมติดเคสอยู่หลวงคุยอยู่แก่ก็เลยหันมาหลวงพี่ไปลองเองเลยเราก็ฮะจะได้เหลือตอนนั้นมันจะมีเขาเรียกว่ามีภาวะบางอย่างอยู่ที่แบบยังไม่ยังไม่กล้าเนา ะ, ะมันจะมันจะได้เหรออันนี้คนไข้าตายนะ mm hmm. เผื่อเราไปนาทางพลาดล่ะจะเป็นยังไงเผื่อผิดพลาดไปพลิกรอกตายไม่ดีละ่ะจะเป็นยังไงมันก็ขึ้นมาเนาะความคิดมันก็ขึ้นมา ก็บอกว่าพผมคงคงไม่กล้าหรอกอืยังไม่กล้าหรอกจนลงไม่ฝนแกได้ไปทําเองนั่นแหละเนาะแก็ได้ไปทําเอ ง, เ, เ, องเราก็ตามไปดูไปสังเกตการก็พอไปเห็นเตียงคนป่วยก็ที่เล่าให้ฟังแหละอธิบายโดนมัดแขนมัดขาไว้มัดแขนมัดขาแต่แต่ดินทรวนทุนลายอาการไม่โอ้คือใกล้ใกล้จะตายแล้วลองคิดดูสิคนใกล้ตายแต่ดินใบดินมาร้องตาเหลือกเนาะ เราก็ว่าอ๋อยังไงที่บอกว่ากรร ม, มันนิมิตเป็นแบบนี้นี่เองถ้าชีวิตไม่เคยทําความดีไว้เลยแต่ต้องตายแล้วทำํำยังไงอ่ะมันมันมันมันก็ฝืนใช่หรือไม่มันก็ฝืนก็บืนไว้แต่ต้องตายแล้วอ่ะก็ไม่ยอมรับกับความตายแต่ต้องตายแล้วอ่ะนั่นแหละเป็นแบบนี้นี่เองเราไม่สามารถไปบอกข้างหูว่าพะอยู่นี่นะพามาเป็นกําลังใจให้นะมาสวดมนต์ มาชวนนึกถึงบุญกุศลทำไม่ได้แล้วต้องปล่อยตามยถากรรมเนาะต้องปล่อยเไปตามเรื่องของเขาอ่ะเราช่วยอะไรไม่ได้แล้วมันทำไม่ได้เลยก็เลยปล่อยไปเนาะระหว่างยืนดูอยู่เนาะระหว่างยืนดูคนป่วยเขานี่อยู่แล้วจู่จู่<ๆ>เขาเรียกว่านามรูปเป็นปรากฏตอนนั้นยังไม่รู้จักหรอกว่าคือนานามนา ม, มาลูกเนาะแต่จู่จู่เป็นปรากฏเป็นพ่อของเรานอนป่วยอยู่เท่านั้นแหละ แวบมามันเจ็บแป๊บเลยเจ็บแป๊บบีบหัวใจเลยความทุกข์ความเศร้าเสียใจสิ่งต่างๆเข้ามาหมดเลยความปฏิเสธด้านลบทั้งหมดทํางานเนาะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไอคย้ความทุกข์เนี่ยความทุกข์จากการสูญเสียนะนี่มันเป็นตั้งแต่วันที่พ่อเสียไปมันนานแล้วนะ6ปีเจปีแล้วทําไมมันกลับมาอีกเราลืมไปแล้วด้วยเราลืมไปแล้วด้วยเราไม่คิดถึงแล้ว เราบอกว่าเราไม่คิดถึงแล้วทําไมมันกลับมาได้ล่ะทําไมมันรุนแรงเหมือนวันนั้นเลยเนาะทําไมมันรุนแรงเหมือนวันที่เราเสียพ่อเลยแล้วมันก็บอกเนาะการเวลาไม่ได้ช่วยเยียยาอะไรเลยเหรอเนี่ยแล้วมันก็ทบทวนตัวเองเนาะวันนั้นก็ทบทวนวเองเลยว่าโอ้ที่เราปฏิบัติมาทําเล่นบ้างทําเล่นทําหัวเคยทําแล้วไม่ทําอีกเคยยกมือเป็นแล้วไม่ยกมืออีกมันใช้ไม่ได้เรื่องข้อทําฮะ ให้กลับมารู้สึกตัวมันก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าทําอยู่แค่ครั้งสองครั้งมันจะได้ผลไหมไม่ได้ผลแน่นอนล่ะให้กลับมารู้สึกตัวนะเอาไม่อยู่ทุกขังอันนี้จังนัตตาช่วยไม่ได้เนาะวางซะปวงซะปวงยังไงล่ะทุกอยู่นี่เนาะมันเห็นเลยว่าต่างๆมันช่วยไม่ได้ก็เลยบอกว่าโอ้ถ้าแบบเนี้เราต้องมาตั้งใจปฏิบัติแล้วล่ะเนาะอยากรู้ว่าทุกอันนี้มันคืออะไรอยากรู้ความทุกข์อันเนี้ย ว่ามันคืออะไรมันเป็นอะไรทำไมมันถึงหนักหนาข น, ขนาดนี้นั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นเขบอกว่าเอองั้นเราบวชแล้วลองอยุดต่อแล้วอีกสักสามเดือนวะอยากเข้าใจเรื่องทุกอันนี้อยากรู้จักมันบ้ามันเป็นยังไงเนะเาะพออยู่มาสามเดือนปั๊บมันก็ถึงเดือนกรกฎาคมพอดีเนาะก็แบบเออมันก็ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่นี่วะยู่ต่ออีกลกันในพรรษาเดี๋ยวพรรษาค่อย ศึกออกมาก็ว่าไปแต่ช่วงภาษาแรกหระมันกลับพาไปเข้าใจเรื่องกายเรื่องจิตแยกกายแยกจิตเห็นการปรุงแต่งเห็นลหลายๆเรื่องเนาะพอออกภาษาปั๊บมันกเ็เดี๋ยวต่ อ, อ, อยสักหน่อยสักสามเดือนเพิ่มโคต้าไปอีกเนาะพอสาเดือนปั๊บก็เอ้าต่อยสักหน่อยอีกสักสองเดือนสามเดือนดูทิเป็นยังไงเนาะแต่ในช่วงนั้นเนาะช่วงที่ว่าตั้งแต่จุดเริ่มตั้งแต่เราตั้งใจ ว่าจะเรียนรู้เรื่องทุกเนาะก็เป็นเดือนแรกที่แบบตั้งใจแล้วก็ยาวมายาวมาก็ก็ใช้เวลาแปเดือนจู่ๆมันก็ไปปลดล็อกเนาะไอ้เรื่องเรื่องนี้แหละโดยโดยที่ไม่ตั้งใจด้วยโดยโดยโดยที่แบบจู่ๆมันก็ปลดล็อกได้เฉยเนาะวันะนั้นก็เขาเรียกว่านําส่วนนี่แหละ น, นําส่วดนี่แหละระหว่างสวดไปความคิดมันก็เผอ ม, มาแวบมาเป็นความคิดเป็นสนามฟุตบอลเป็นลู่วิ่ง เป็นหญ้าสีเขียวแล้วมันก็เจ็บแป๊บเลยเจ็บแป๊บแล้วก็เอ๊ะอันนี้มันทุกข์นี่หว่ารู้สึกทุกข์เพราะว่ามันไม่ไมปกติแล้วเรากําลังมีสติแต่อันนี้ไม่ปกติแล้วก็เลยก็เลยแต่ตอนนั้นยังยังไม่ตื่นเต้นอะไรเนาะเราก็ประคองสติไว้ไว้ก่อนเป็นผู้ดูอยู่ทีนี้ก็เอาใหม่เอ๊ะเมื่อกี้มันมีภาพขึ้นมาเราเห็นภาพนั้นแล้วลองย้อนภาพขึ้นมาเล่นซิ ก็เ ย, ย้อนภาพสนามฟุตบอลลูวิ่งหญ้าสีเขียวขึ้นมาเอ๊ะทำไมมันไม่ทุกแล้วอ่ะเจ็บอาการเจ็บแป๊บมันหายไปแล้วแต่ก็ยังไม่ก็เรียกว่ายังไม่เอะอะไรเนาะก็ประคองสติไว้ต่อแล้วจู่ๆภาพมันก็เปลี่ยนไปเหมือนภาพเปลี่ยนไปเป็นครั้งที่สองเป็นบ้านที่เคยอยู่เป็นห้องทํางานมันก็เจ็บแปบ๊บอ้าวอีกแล้วความทุกข์อันเดิมเลยแต่ภาพเปลี่ยนไปเป็นครั้งที่สอง เป็นนิมิต ท, ที่สองเป็นเรื่องราวที่สองก็ใช้กระบวนการเดิมนันแหละย้อนภาพทั้งสองชุดขึ้นมาเล่นเราก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมเราย้อนภาพได้แต่อาการเจ็บแป๊บมันมันไม่เกิดแล้วก็แต่ก็ประคองสติอยู่นะประคองสติไว้มาครั้งที่สมันก็เป็นภาพบ้านหลังเก่าที่เคยอยู่เป็นแฟด ต, ตารวจมันก็เจ็บแป๊บเหมือนเดิมเลยแล้วก็เอ๊ะอีกแล้วความรู้สึกทุกข์มาอีกแล้วครั้ง เป็นครั้งที่สามความรู้สึกทุกข์เนี่ยมันอันเดิมแบบเดิมแต่ภาคมันเปลี่ยนไปมันเหมือนลิงเนาะพอดีเลยเผิดหน้าลิงมันเหมือนชั้นชนีเวลามันโหนกิ่งถามว่าชะนีมันโหนมันจะไปข้า้งหน้ามันต้องปล่อยมือไหมปล่อยเพื่อไปจับกิ่งใหม่ใช่หรือไม่ความคิดมันเป็นแบบนั้นแหละมันจบเรื่องเนี้ยมันไปต่อเรื่องเนี้โดดไปโดดมาเนาะโดดไปสามเรื่องแล้ว แล้วก็มีความทุกข์เกิดเกิดขึ้นทีนี้พอเรื่องที่สามพับมันก็ทรงตัวอยู่นิ่งนิ่งอยู่สักแป๊บหนึง่งแล้วจู่ๆมันวูบไปเลยเนาวูบไปว่าไ ป, ไปเป็นเรื่องราวช่วงช่วงขนาดในเรื่องที่เห็นก็คือเนาะในในเรื่องที่เห็นก็คือเป็นเรากำลังนั่งเล่นคอมพิวเตอร์อยู่ในห้องบ้านหลังเก่าแฟดตารวจนั่งเล่นอยู่จู่ๆเราได้ยินเสียงคนลุ่ในห้องน้ำํำพอออกไปดูป้าเป็นพ่อเรา กำลังล้มชักอยู่แล้วมันก็บอกว่าต่อไปพ่อคงไม่รอดแล้วต่อไปอาการพ่อจะหนักแล้วต่อไปจะรักษาพ่อไม่ ไ, มได้แล้วเนาะต่อไปมีแต่อาการจะสุดหนักไปหน้าแล้วนั่นะแหละแล้วมันก็ตัดไปเนาะแล้วมันก็ไปอีกเรื่องหนึ่งตอนทั่พ่อเสียว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยทำไมเราเป็นแบบนี้ทาไมเราถึงเป็นคนแบบนี้ทำไมเราถึงผิดผลานขนาดนี้ นั่นแหละแล้วมันก็ตัดไปแล้วมันก็จบไปก็เลยทบทวนเนาะเอ๊ะเมื่อกี้เป็นเรื่องพ่อขึ้นม า, าแล้วตอนขึ้นมาตอนแรกเราก็เจ็บปวดมันเจ็บแป๊บเลยเนาะมันเจ็บแป๊บทุกครั้งตอนเรื่องที่พ่อล้มมันก็เจ็บตอนเรื่องที่พ่อเสียวันที่เราไม่ได้อยู่มันก็เจ็บแต่เรามาย้อนคิดใหม่ครั้งที่สองเอ๊ะทำไมมันไม่เจ็บปวดแล้วไอ้ความทุกข์ไอ้เมื่อกี้เนี่ยมามาครั้งเดียวมารอบเดียว แล้วก็แล้วก็จบลงเนาะมารอบเดียวแล้วก็จบลง <_ d ose> เราคิดซ้ําอีกมันก็ไม่ทุก <_ d ose> คิดเรื่องตั้งแต่เรื่องสนามหญา้าลู่วิ่งมันก็ไม่ทุกบ้านบ้านที่เคยอยู่ห้องทํ า, างานที่เคยอยู่มันก็ไม่ทุกบ้านหลังเก่าที่เคยอยู่ก็ไม่ทุกเหตุการณ์ที่พ่อล้มพ่อชักมันก็ไม่ไม่ไม่ทุกเหตุการณ์ยี่มันพ่อเสียมันก็ไม่ทุกแล้วอะ่ะก็เลยแบบเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นก็ไอเรื่องที่เราเนาะตามจริงมันแค่ถ้าเราอ่าน บทส่วนมวลประมาณสองมัดเนี่ดแล้วจบลงแล้วก็ขึ้นมันทัที่สองแล้วก็จบลงถามว่ามันกี่วียพอห้าวีไหมถึงห้าวีไหมประมาณสักสามสี่วีเนาะไม่ไปถึงหลอกแต่มันเป็นมันรอบเป็นเรื่องราวได้ได้เลยเป็นเรื่องเป็นราวเลยเป็นตัวบินตเนตเป็นเรื่องชัดเจนเลยเนาะทีนี้ก็เลยมานั้นว่าเ อ, เอ๊ะทำไมมันรู้สึกมันเบ า, เบ า, เบาสบายสบายจังเลยทําไมมันแปลกแบบแบบนี้ มันมันมันรู้สึกแบบโล่งสบายเนาะก็เลยเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นก็ยังไม่รู้ตัวว่าคืออะไรก็วันนั้นก็เรียกว่าวันนั้นมันวันสุดท้ายของคอร์สพอดีเนาะก็เลยกลับวัดไประหว่างกลับวัดไปเนาะก็นั่งรถก็รถตู้แหละก็นั่งอยู่ข้างหลังทีนี้คนขับรถเขาก็ส่องเขาก็มองกระจกหลังมาเขาก็บอกว่าหลวงพี่เป็นบ้าเป็นบ้าเป็นเป็นบ้าเหรอทําไมนั่งยิ้มคนอยู่คนเดียวแล้วก็ว่าเอ๊ะ เรานั่งยิ้มเหรอเราก็ไม่ยิ้มนิมนมนมนมว่าเขาบอกว่าทําไมหน้ายิ้มอืมมองเห็นอะไรเหรอข้างทางเราก็บอกตัวเองเอ๊ะเราไม่ยิ้มอะไรอยู่ว่ะแล้ว ก, ก็ปกติแต่มันก็เบาสบายสบายเต๊บเนาะพอกลับวัดไปปั๊บก็เอ๊ะทําไมเป็นแบบนี้วะทําไมมันเหมือนโลง่ลงๆสบายๆเหมือนไม่ไม่ค่อยหนักแล้วทีนี้ก็ลองทบทวนนะมันเกิดอะไรขึ้นกับเราพอมาดูดีๆแล้ว อ้าวนี่เราออกจากทุกเรื่องพอแล้วนิวนิวหวาดเนาะตั้งแต่ที่เห็นรูปภาพมันแล้วเห็นที่มันขึ้นมาชั่วขณะแป บ, บเดียวมันจบไปแล้วแบบมันเด็ดขาดมากเลยไปเห็นเรื่องราวปั๊บจบเห็นเรื่องราวปั๊บจบจบพอมาครั้งที่สองมันก็ไม่เหลือความทุกข์แล้วอ่ะต่อให้เล่าต่อคิดมาเป็นร้อยครั้งมันก็ไม่เหลือความทุกข์แล้วไม่เหลืออาการทุกข์นั่นแล้วมันจบไปแล้วในครั้งเดียวเนาะ มันจึงได้รู้ว่าโอ้ทีของพระพุทธเจ้า ม, มันเด็ดขาดมากเข้าไปเหตุปั๊บแล้วจบเลยหลุดจากตรงนั้นเลยแล้วก็ไม่ไม่เป็นอีกแล้วจบในครั้งเดียวเนาะไม่มีครั้งสองครั้งสามครั้งสี่สมมติเนาะถ้าอาการที่ไปหาหมอคิดว่าไปหาจิตจิตแพทย์จะใช้เวลานานไหมกว่าจะซะ้อกว่าจะค่อยๆเล่ากว่าจะไปถึงปมปัญหาต้องใช้เวลานานไหมเนาะอาจจะต้องนานหน่อยหลายรอบ หรือแม้แต่เข้าไปเห็นแล้วแต่ถามว่ามันมันมันมันมันจะหลุดไหมล่ะเนาะบางทีก็กลับอีกได้ใช่หรือไม่ถึงจะเข้าไปเห็นเห็นเหตุแล้วถึงจะเล่าออกออกมาแล้วแต่มันก็ยังมีความผูกพันอะไรอยู่แต่วิธีของบูเจ้ามันเด็ดขาดกว่าไปเห็นปั๊บจบเลยออกจากทุกตรงนั้นได้ก็จบเลยเนาะต่อให้เรื่องราวมันปรากฏต่อให้เรื่องราวความสูญเสียพ่อมันปรากฏมันก็ไม่เหลืออาการทุกข์แล้วอ่ะเนี่ยมันเด็ดขาดมากเนาะ อันนี้คือประสบการณ์ตัวเองที่แบบเข้าใจเรื่องทั้งนี้มันมีคำหนึ่งหลวงปู่เทียนเนาะตั้งแต่จำได้เลยมันเป็นคำที่แบบประมาณว่าแต่ก่อนยังไม่ได้บวชเนาะเราก็นั่งฟังอยู่ข้างหลังพระอาจารย์จะเปิดประวัติหลวงปู่เทียนท่านบอกว่าเมื่อเรารเมื่อเรามาเจริญสติเนี่ยยกมือสร้างจังหวะเนี่ยมันมีค่ามีคุณมากมันมีค่ามีคุณมันจะช่วยแก้ปัญหาในชีวิตได้ ชีวิตแต่ทุกน้อยลงไปเรื่อยๆจนไม่ทุกอีกเลยท่านว่าแบบนี้เราก็นั่งฟังอยู่เนาะแล้วก็เอ๊ะเห็นไหมเอ๊ะเอ๊ะยกมือสร้างจังหวันี้นนะมันจะแก้ปัญหาอะชีวิตได้ว่าด้วยเนาะเพราะว่าเรายังไม่ไม่รู้ตอนนั้นเนาะยังยังไม่รู้ก็คิดว่ายกมือ น, นี่นะมันจะแก้ปัญหาอะชีวิตได้แก่อย่างไงแต่พอวันนั้นมันเข้าใจเลยว่าโอ้นี่ไงปัญหาชีวิตคือตรงนี้แหละ ร, ระบบที่เขาเรียกว่าที่มันเก็บงําไว้ผ่านจิตใต้สํานึกเนาะบางอย่างไม่สามารถคิดเอาได้แต่มันทํางานมาโดนกระตุน้นทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจที่มาโดนกระทบเนี่ยแล้วมันทํางานเลยถ้าเรารู้ทันก็รู้ทำไม่รู้ทันก็เป็นไปกับมันเนี่ยมันอยู่ตรงตรงนี้แหละเนาะก็เลยจะเข้าใจนี่แหละว่านี่ไงเราแก้ปัญหาตรงนี้ได้แล้ว พอมันปลดล็อกตรงนี้ปั๊บเนาะมันก็มีเรื่องเขาเรียกว่าเมื่อมันปลดล็อกได้แล้วปั๊บมันก็เป็นประสบการณ์ใช่หรือไม่เป็นประสบการณ์เลยเป็นประสบการณ์ว่ามันมีแบบนี้ด้วยแล้วก็เรามีเครื่องมือแล้วมีกระบวนการมีทุกอย่างพร้อมแล้วมันก็เ ร, Gang, pe, เริเร่มปลดล็อกเร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อ ง, งนู้นเข้ามาก็ปลดล็อกได้แบบนี้เข้ามาก็ปลดล็อกอกได้เป็นเรื่องเป็นเรื่องไปเนี่ยมันจึงสนุกปฏิบัติเนาะพอมันปลดล็อกได้ปั๊บมันจะเริ่มสนุกเพราะว่าเ๊ย นี่เราเป็นเริ่มเขาเรียกว่าเราเริ่มรู้ตัวว่าการไปอิสระจากความคิดคือตรงนี้นี่เองแต่ก่อนเราเราโดนเขาเรียกว่าแต่ก่อนเราไม่เป็นอิสระจากมันโดนมันบงการตลอดเหมือนที่พระอาจารย์เล่าเห็นไหมจัสูบบุหรีมันมีมันมีภาพบางอย่างปรากฏ ก, ก, ก, ก, ก่อนอันเนี้ยเราโดนบงการลองดูเนาะในชีวิตเรามีเยอะไหมเราเป็นคนแบบนี้เป็นคนอย่างนั้น อันนี้คือตัวตนของเรามีไหมกลัวอันนี้กัวอันนั้นกัวแบบที่เขาชาวบ้านเขาไม่กลัวกันกัวจิ้งจกมีไหมกัวนอนด้วเนี่ยกัวอะไรอีกกัวตุ๊กแกกัวอะไรอีกอ่กัวผีเสื้อเพื่อนหลวงพี่รู้ไหมกัวอะไรเพื่อนหลวงพี่คนหนึ่งกัวมะม่วงสีเขียวเนาะถ้ามะม่วงสีเหลืองกินได้แต่มะม่วงสีเขียวกลัว นะไม่กล้าเข้าใกล้เอาออกหาก่างเห็นไหมมันต้องมีเรื่องราวบางอย่างซ่อนแร่นอยู่ใช่หรือไม่เป็นมันอาจจะเป็นบางอย่างที่มันปกปิดไว้ที่เขาก็ไม่รู้ตัวเราก็าคืออะไรอาจจะลืมไปแล้วด้วยอันนี้คือระบบจิตใต้สํานึกที่มันเก็บงําไว้ไม่สามารถมานั่งไม่สามารถมานั่งมีสติคิดเอาได้นะแต่มันจะทํางานทันทีเมื่อมันโดนกระทบเนาะลองไปดูนะว่าเรามีแบบนั้นจริงไหมโดนบงการจริงไหม มีนคนแหละเนาะมีแน่นอนจะน้อยจะมากก็แตกต่างกันไปการปฏิบัติคือคือตรงนี้เนาะมาแก้ปัญหาตรงนี้แหละคือตรงเนี้ยที่มันเป็นปัญหามันก็มีหลายเรื่องมากเลยเนาะแบบหลายเรื่องที่ค่อยๆเข้าเข้าใจเข้าเข้าใจตามจริงฟันหน้าเนี่ยเสียไปแล้วเพราะว่าไม่ไม่รักษาครั้งอันหนึง่งเนาะแต่ก่อนรู้ไหมว่ามันจะเริ่มเสียรู้มันเริ่มมีมันเริ่มผุมันเริ่มเปลี่ยนสีก็เริ่มมันก็บอกตัวเองเนาะเอาไว้ก่อน อย่าเพิ่งไปไหนยังไม่ยังไม่ ย, ย, ยังไม่เป็นไรหรอกแต่พอผ่านไปผ่านไปก็เริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องไปแล้วแหละแต่ก็เออเดี๋ยวรอ ก, ก่อนเดือนหน้าก็ไปเออเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปเลยลหรือแม้แต่วันนึงไปแล้วนะขี่รถไปแล้วมาถึงหน้าโรงพยาบาลแล้ ว, ลล ว, วนนนน ita, ขี่กลับโอ้ยเดี๋ยวก่อนเดีเ๋ยวเพิ่งเตอะอยู่แบบเนี้ยจนมันหนึงมันเสียไปแล้วจะเอามาอยู่แล้วก็ต้องถอนไปเนาะแต่แต่วันนั้นเนาะเขาเรียกว่า เมื่อเราเริ่มปลดลอกได้แล้วจู่ๆมันไปเห็นอะไรบางอย่างวันนั้นก็นอนอยู่บนเตียงเตียงถอนฟันนั่นแหละเนะหมอเขากำลังถอนอยู่มันก็เห็นภาพเนาะจู่ๆมันก็แวบไปเลยไหมไปเห็นเรื่องราวของตัวเองตั้งแต่เป็นเด็กเล็กๆร้องไห้อยู่ดนพ่อโดนแม่จับขาไว้ล็อกไว้แล้วหมอก็ถอนฟันแล้วเราก็ร้องไห้เนาะแล้วเราก็บอกว่าทําไมพ่อแม่ถึงไม่ช่วยเหลือเราทําไมถึง ขอให้หมอทําแบบนี้เนาะจริงเนี่ยมันเป็นตาบาปที่มันติดค้างคาใจตั้งนานแล้วเราก็เลยรู้ว่าโอ้แท้จริงเราไม่น่าแหละทําไมเราถึงถ้ามาหาหมอเราก็มอได้อยู่แล้วเรื่องเข็มเราก็ล้วก็ไม่กลัวนะแต่ถ้ามาหาหมอฟันทบมันจะบอกว่าอย่าเลยอย่าพึ่งเอาไว้ก่อนอืมเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปอีกแบบเนี้ยมันกัมันก็ ม, ม, นกมีบางบางบางอย่างแล้วแบบทําให้เราไม่กล้าไปตลอดเวลาเนาะ แต่พอมันั้นเห็นเลยว่าโอ้นี่ไงมันคือเรื่องนี้นี่เองสมัยเป็นเด็กเด็กมากเลยประมาณสักเพิ่งจําความได้ประมาณสี่ห้าขวบลองคิดดูสิมันยังเก็บงําไม่อยู่วโดยที่เราลืมไปแล้วด้วยแต่วันนั้นไม่เห็นเลยว่าโอ้นี่เราโดนจับมัดมันเห็นภาพเลยนะพ่อแม่กําลังช่วยหมอล็อกไว้เนาะแล้วหมอก็ถอนฟันแล้วเราก็เจ็บปวดมากเราก็ร้องไห้เนาะแล้วมันก็บอกว่าทําไมพ่อแม่ถึงมาช่วยเหลือเรา ทำไมถึงทําเราแบบนั้นเนาะทำไมถึงแบบนั้นกับเราเนี่ยมันกลับเก็บงําไว้อนะเนาะแล้วมันก็ส่งผลตลอดเลยพูดถึงเรื่องฟันจออะไรก็อยาเลยเอาไว้ก่อนอยาเพิ่งไปอยู่แบบนี้แหละเนาะอันนี้คือเขาเรียกว่าที่บอกว่ามันแก่ปัญหาชีวิตคือตรงนี้แหละที่เราปฏิบัติทำมาคือตรงเนี้ยเนาะคือตรงนี้เองไม่ใช่อย่างอื่นไม่ใช่ความวิเศษไม่ใช่ไปเจอสิ่งวิเศษอะไรหรอก คือแค่นี้แหละแต่แค่นี้มันก็ไม่แค่นี้หรอกเนาะลองคิดดูสิถ้าเราปลดล็อกได้ชีวิตทุกน้อยลงน้อยลงมันจะดีไหมเหลือสุดท้ายก็ไม่ทุกอีกเลยมันมันจะดีไ้มละ่นะเนี่ยคือตรงนี้คือสำคัญกว่าก็เคยมีคนบอกนะปฏิบัติธรรมมันต้องได้คุณวิเศษคุณและวคุณพิเศษคืออะไรละ่ะทักษะวิเศษเหรอหูทิพตาทิพเหลรอ มีโน่นมีนี่เพิ่มมามาเหรอรู้ไหมคุณไม่คุณไม่เสียดีสุดคืออะไรรู้ไหมคุณที่ไม่เสียทีสุดคือความไม่ทุกเนาะตรงนี้สำคัญกว่าอย่าไปเอาเลยปฏิบัติแล้วจะได้หูทิพ ป, ปฏิบัติแล้วจะได้ตาทิพแถมมาอย่า เ, าเลยไอ้พวกนั้นเนาะเดี๋ยวมันจะหลงทางแต่เราปฏิบัติสู่ความปนทุกข์เถิดตรงนี้สำคัญกว่าเนาะสาคัญกว่าอืมเนาะพอดีเลย สามสบเ็ดนเาะก็ น, นี่เป็นประสบการณ์ตัวเองนอะกในการเรียนรู้ทำมาบ้าเราเข้าใจเรื่องอะไรรู้จักเรื่องเรื่องอะไรเนาะก็ถามว่ามันยากลําบากไหมสิ่งเหล่าเนี้ยมันไกลตัวเราไหมมันเป็นสิ่งไกลตัวเป็นสิ่งนอกตัวไหมที่เรามาทั้งหมดเนาะไม่ใช่ความไกลตัวอะไรเลยมันอยู่ที่เรานี่แหละว่าเราจะยอมเรียนรู้ไหมไปพบเจอมันไห ม, มแล้วออกจากมันได้จริงไหมเนาะ อันนี้คือประสบการณ์ตัวเอง